อย่างนี้นะคืออย่างนี้คือว่าคือองค์ธรรมาภูณบอกเลย ว, ว่าเจือบุญกับกรรมเราแล้วเองและแล้วเองว่าเออมันเป็นทิศนั่นแหละเป็นเชศนนั้นแหละโราโราหน้าที่ดูดูอะไรรู้รู้แล้วพอรู้แล้วว่าเออมันเป็นทิศนนั่นและเป็นทิศนนั่นแหละ คือเราเอคือเราจะเอาพื้นฐานคืออะไรคือศีลเป็นหลักเอาศีลเป็นหลักเอารักษาจิตถ้าเรามันมีศีลแล้วคือเราจะเดินติดทางได้เพราะศีลนั้นผู้คุมจิตและขุมร่างกายให้ดีได้ดีได้เพราะศีลอ่ามีแล้วเพราะศีลร่างกายดีได้เพราะศีลจิตมีแล้วเพราะศีล นี่เพราะอะไรเพราะคาดศาีลพอคาดีลแล้วนี่จิตใจมั น, นวุ่นวายแหมมันนุ่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แหมอยู่ไม่อยู่กับตัวนี่คือทำให้ทุกข์เพราะว่าใครพรคาดศีล น, นี่แหละคือเราเอาหลักของพระพุทธเจ้าคือศีลนี่ตัวเจอยของพระพุทธเจ้าคือจะให้ลูกลูกขององค์ขององค์พระพุทธเจ้าต้องรักษาศีลทุกคนนั้นและเป็นลูกของพระเจ้าแท้จริงนั่นคือเป็นสมบัติ ขงพระพิฆาตให้กับกมนุษย์มนุษย์พอเรามีศีนแล้วคือเราได้รู้ว่าเออจิตของเรามาช้าหาดได้ก็ศีลคือเราคือเราพยายามอย่างที่ชุดว่าจิตของเรานะั้นต้องรู้จากจิตและรู้จากร่างกายสองอย่างจิตกับร่างกายนี่และคือสําคัญเราก็รักษาจิตให้ไ ด, ได้รักษาร่างกายให้ได้รล้วก รักษาจิตได้แล้วรักษาร่างกายเร้จะโตไปเราจะรักษาปู่ย่งได้เพราะเราต้องรู้กตัวโราคนต้องรู้ใจโราคนใจโราเป็นอย่างไรร่างกายเราเป็นอย่างไ ร, น, น, งไรนี่เราคเคยพบแล้วเมือ่อก่อนร่างกายของเรามไม่ไดีกินเราไม่ไดีเมือ่อก่อนอยู่กับดูที่เราท่างนะนทั้งทา้งนั้นแล้เราเรียนจบแล้ว เปลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในจิตของเราในร่างกายของเราเดี๋ยวนี้เรารู้สันแล้วเราออกนัดที่ออกอย่างเดียวเมื่อก่อนเมาไมรู้เราพาเข้ามาอ่าความที่สิ่งไม่ดีเรเข้ามาที่จิตสิ่งไม่ดีมาห้ามข้ามาร่างกายคือทํา่างกายเป็นโรคคือทําให้จิตเป็นโรคพอเป็นโรคเลยมันยุ่งอยู่ยุ่งนอนไม่หลับอ่ากินเขาไม่ได้ทุก เพราะอะไรพอเพราะอมความในจิตโรคผู้เอาเอาเชื้อโรคเข้ามาในจิตให้เข้าในร่างกายแล้วคือเอวนี้เราต้องพยายามพยายามล้างจิตล้างจิตแลกจิตจิตหลับว่าอะไรมันเ ข, ข้ามาอยู่เราล้างทุกวันแล้ทุกวันแล้ทุกวันให้มันหมดไปพอหมดไปแล้วสิ่งที่มันจิตอยู่ที่ในจิตของเรานั้นมันเสีย มันจะออกไปออไปถึงเราอยาเห็นและเคอเห็นจิตของพุทธจิตของพุทธมันก็มีอยู่ในอยู่ในพระคือของดีมันอยู่ในเราเลยไม่เห็นอ่าของดีมันอยู่ในของไม่ดีมันอยู่เนอกที่เราอมไมาใช่นั้นมันเมื่ออาจารอันตรานะั้นคือของไม่ดีอมไมาใช่ของดีมีไม่ออมใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าของที่ไม่ดีมันปิดไว้อมไมาใช้ไม่ได้นี่คือตามให้เราเป็นทุกข์ให้เรา ไม่มีที่อยู่ก็มาท่องตัวเองนะามเอาใจทุกเพ่าไรก็ไม่เอาของดีมาใชา้เอาของทิงไม่ดีมาใชา้ออกมาอ่าอย่างนี้เละยเราต้องพยายามและพยายามทุกวันทุกคืนเลยทุกเทยเราก็พยายามอ่าล้างตั ด, ดที่เหล็ดทิ้งที่ไม่ดีที่ในจิตในใจของเราแล้วในอย่นี้แหละเือใจสะอาดใจบริสุทธิ์เพราะใจบริสุทธิเกิดปัญจะฟัญญาขึ้นเลย นี่คือใจของพุทธทําให้ปัญญาได้เพราะอะไรคือเพราะบุญเพราะบุญและทําให้ปัญญาอา่าถีงแล้วทาให้เราฝัน ป, ปัญญาอา่านี่เราจัดหน้าตัวของเราแลว้วถ้าหน้าใจของเราแลว้วต่อไปเราหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเราหน้าไปหมดอา่าหน้าไปหมดเราไม่ต้องกลัวอะไรแลว้วเพราะว่าคือเราได้กลับตัวเองได้แล้วได้ปราบใจเองได้แล้วสิ่งที่ไม่ดีปราบหมดแลว้ว อออกจากหมดแล้วนี้ตไปเราจะ เ, เราจะไปนี้่านได้นะั่นอนอ่านี่คือทาให้ใจท่ า, ห, าหัดอาจารบอกในสูตรให้หมดจากทีเล็กกับเครืค่องสมองทั้งหลายที่เคอที่เราไม่มองแล้ยเออเราไม่ฆ่าตุ น, นเลยถ้าเรามันมีรู้เรไม่ฆ่ดตุนไม่ฆ่าตุ น, ตนเราทำไปเลยทำให้ดีทาไปเลยไม่ฆ่าตุนแน่นอน อทําให้ดีเลยทําให้ดีเลยทําให้ใจดีร่างกายดีไม่ขาดทุนโรคไม่เจ็บไม่เสพโรคไม่เมื่อยเราบาดตลอดเวลาเพราะไอ้พกของดีอยู่ในตัวเราแล้วของดีในใจที่หาที่ไหนเรามันอยู่ในตัวของเราต่างนั้นไม่ต้องหาที่ไหนถ้าโตรําดีและความดีนเข้ามาอยู่ก็ทําความชั่วความชั่วเข้ามาอยู่เอ่หีและก็สร้างกรรมกรรมเข้ามาอยู่เอ่ในหานี่แหละคือชะ กูรจับกิจธรรมใช้ร่วมบ่ายไปไปไหนก็บ่ายมีใจผู้ที่ช่วยเหลือผู้รับผู้รักตั้งนั้นพ้องมาเลยรู้จักกิจช้ารู้จักกิจมาเพาะของดีแล้วไม่รู้จักโยไม่รู้จักอีกใจแล้วโทษเคยละโทษจะหาาที่ไหนเลยหาของดีหาที่ไหนแล้วมันยังอยู่แล้วในตัวของเราในใจของเรายังอยู่แล้วที่ทาไม่ที่เราไม่ทําะไม่ทำละ เ ร, เ, เ, เราต้องทำที่เอ้ให้ควนทํามันไม่ได้เราต้องทําเองดีเฮะเราทําเองได้เองผู้ได้ทาพูดนั่นจะได้ถ้าเราไม่ทำมันไม่ได้เดี่ยวนี่คืในนี่และคือเราเราถ้ายยากองค์สมมาพุทธเจ้าแท้จริงแล้วเราท่องแยายำประกาศเลยว่าเราไม่ทาชั่วเด็ดขาดท่ไม่ทาชั่วเพระอะไรเพราะรับพระพุทธเจ้าพราะพระเจ้าสูงให้เรามาเกิด เรมาทําไหมเราตามตัวเองไว้เรามาทําไมมาเกิดตามใจเราตั้งมาทําไหมเรามาเกิดเนี่ยเคยส่งให้มาเกิดเราตามตัวเราทีว่าเออเรานั่งลับตาดูว่าเออเอเรามาที่ไหนสักทีมาเกิดร่วมาเกิดมาถึงไหนเคยผู้สรงให้มาเกิดตเราตามตัวเองดิตามจิตเองที่เคยส่งให้มาเกิดโอ้พระพุทธเจ้าเจ้าศาสนาเจ้าบุญที่ทรงใหมาเกิดบุญขอให้มาเกิด อยู่ที่ในศาสนาพุทธเป็นศาสนาขององค์สมมาพุทธเจ้าย่างได้ตั้งศาสนาไว้แล้วครงลกให้มาเกิดให้มาดูเลยศาสนานี่แหละคือเออที่ระบอกอย่างนั้นเพราเราะวาเโอ้นี่คือศาสนาของพ่อไม่เห็นพ่อจริงคือกํามฐาของพ่อยังยอยู่ยยที่นี่แหละนี่เราเอากํามฐานของพ่อออกมาปฏิบัติออกมาใชา้ ถ้าเราเข้ามาระดกของพ่อเลยนั่นระดกเกี่ยวเกิดมาลราจะรวยรวยคืออะไรเราได้สมบัตรของพ่อไอ้มันจะรวยไหมถ้าเราไม่เอาไอ่มาปฏิบัติถี่นขององค์ธรรมมาปุจจ่างท่านให้แล้วตัวไม่รักษาโทษใครละ่ะโทษใครไม่รักษนั่นเป็นสมบัติขององค์ธรรมาปุจจ่างเราไม่เอาถ้าไม่เอานูตกนรกแหละมันตกนรกโทษใคร่ะ ต้องไปกับกรรมที่ให้เชื่อบุญกับกรรมถ้าเราเกิดมาเราไม่เชื่อศาสนาอหและมาเชื่อปัพรนเจ้าและเราจะเชื่อเคยเชื่อเคยเราเกิดมาย่าเสียเวลาจะมาเกิดก็เราอยู่ไม่นานแล้วเราต้องกลับแน่นอนจากโลกนี้ถ้าจิตของเรานั้นถ้าจิตของเรายังทะลึ่งกะังอยู่ยังมีเชื่อโลคอยู่จิตของเรานั้ น, น, นแน่นอนว่าต้องเวียนว่ายแต่เกิดแน่นอน โราถ้าสิตเราหมอมากสี่เดียวก็ไปเกิดเป็นสัตว์ได้เป็นสัตว์ไ ด, ด, ได้ถ้าถ้าจิตของเราดีอสิตเข้าขเราดีเราเกิดมาได้ทําบุรณายการรักษาสีบภาวนาในสู่เพื่ออาศัยบุญอาสัยบุญนี้เราใจไปเกิด เ, ดเป็นเทวนาดาจะเป็นนางค้าได้เป็นทุมได้นี่ก็พอม่มหมดบุญอีกจะลงมาเกิดอีกเลย ยงมาเกิดอีกพ่อก็หมดบุญพอ่อเกิดมาจำบุญในโลกนี้ก็ก็มาเกิดมาเกิดพอก็มาเกิด อ, อ, อ่ก็ต้องเกิดอีกเท้อีกเจ็บอีกตายอีกเอ๊ะนี่แล้วเวีนว่ายตาเกิดนี่เราท่องระยังว่าเอ๊เราทำอย่างไรสักทีเราอยาก ม, มาเกิดแล้วเพราะองค์มมาพุทธเ า, า ม, มาเกิดแล้วเรตั้งใจพระจะตามองค์สัมมาพุทธาจม่มาเกิดกเบื่อแล้วเบื่อเลย เมื่อตื่เมืรร่อแก่แก่เมื่อเจบเมื่อตายมานันจะเลยเป็นของลมมันเดตามสักอะไรมันจะเป็นของเราอ่ า, ามันมเป็นของเรา เ, า เ, เ, ร, า เ, าเราไม่โ อ, อ้แล้วผมโ อ, อแล้วโลกตรงตามองสมมาพุทธเจ้าก็ตามแล้วโลกจะพยายามทายาผิดเลยตัวยาําให้ผิดเด็กขาดทําไปาทไปิ้งดิลิท้ายองสมมาพุทธเจ้านี้เราจะอ่าเราจะแนะนา ตั<ส>ง่งโซลูกลูกหลานหลานที่นี่น้องวัดให้รักศาสนาเกิดลงมาเกิดในศาสนาพุทธเลี่ถ้าเราไม่รักศาสนาแล้วศาสนาอยู่ลูกมนุษย์จะอยู่ได้อย่า ง, างเขาอยู่ไม่ได้ยีอยู่ได้เพราะอะไรเพราะมีศาสนาถ้าไม่ศาสนาเลยจะอยู่ไม่ได้ต้องรบกันตรองฆ่ากันต้องกินเนื้อมื้อเนื้อกูกันนี่กินเนื้อกันเองเลยถ้ามันมีศาสนาพวกมนุษย์มุษมันกนิงได้เหมือนกับศาสนาเลย มันกินกันเองเลยเพราะอะไรเพราะสัตว์มันมีศาสนานี่ถ้าเราอยู่แบบเหมือนสัตว์พาสนาหมดแล้วอมันกินกันเองเลยนี่คือนรกเลยอยู่ในนารกต่างตีเลยเพราะไม่มีศาสนาเราต้องรักศาสนาต่อไปทางน้าเราทัได้อ่าต้องพายายามแนะคาสั่งสอนญาติโยมว่าเราช่วยกันคือการนาองค์คำว่าเย้ายังงานก่อ น, นอย่างไม่จบยังไม่สิ้นก่น เราต้องช่วยกันช่วยกันอ่ให้ศาสนาคงยืนอยู่ถึงหาพันปีหรืออย่างนี้แลเรระเ ร, เรารักพระพุทธเจ้าจริงๆเรงรักพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าต้องรักเราแน่นอนเออบุญทั้งหลายที่เราได้อยูไ่ได้อาศัยบุญของใครบุญของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเป็นบุญของพ่อทั้งนั้นที่เราได้มาอยู่นะั้มีชีวิตอยู่นั้นคือชีวิตนี้แหละดวงจิตวิญญาณดวงจิตนี้แหละ คือเป็นพ่อคือพ่อเจ้าวันที่พ่อชาวันลงส่งให้มาเกิดและเรามันไงมาพบในเมืองมนุษย์อีกนี่คือพ่อแม่ผู้เกิดก้าวขึ้นมาพ่อแม่นี้อ่านี่แหละคือเรารับกันเลยลูกรับพ่อแม่ที่เกิดก้าวอยู่ที่รักษาเราในพ่อแม่เราภากภูมมากที่สุดนี่เป็นเหมือนกับโบที่ศักดิ์เหมือนกั น, นคือพ่อต้องทำมาเพื่อกระวา พอแม่เกลีดมือนทายหันของลูกเราบูชาโพ่อแม่นับถือพอแม่เหมือนองค์กามพุทธเจ้าเป็นพ่แม่ที่สอนคู่ให้ร่างกายนี่เล็กเราละพ่อแม่มากและผู้จใจมากแล้วนั่นเล็กเราเกิดมาไม่เสียวเวลาจะมาถือเป็นมนุษนี่เล็กต่อไปโราหน้าเสียดายชีวิตของเราเกิดว่าเราเกิดม า, ดม า, เ, าเดินไม่ถูกทางเฮ้นี่เดินไม่ถูกทางเราก็พยายามดึอให้เต่าทางกันติด แลขทุกคนที่ปฏิบัติทำนั้นต้องดอูในข่าวทางเราตรงรั ก, จ ร, กจริงถ้รักจริงแล้วตรงนั้นชนะจริงจริงชนะอร่อยหรือชนะความชั่วชนะมารคือมานี่นเป็นคู่ตําลายขององค์ธรรมมาพุทธเจ้าเมื่อคนอพุทชาจ้าปร ะ, ปร ะ, ประการเรื่องมารมากเลยเออนี่และคือมารคู่ทําลายองค์ธรรมมพุทธเจ้าในองค์พระพุทธเจ้าท่านเมื่อมาเกิดแล้วสง่งลูกไอมาเกิด โอ้มันนี่ตามตามล่าลูกองค์สมมาพุทธเจ้าเนี่ตามเรียนลูกสัมมาพุทธเจ้าเลยโยมนี่องค์สมมาพุทธเจ้าบอกข้าพเ้าพัญญาจะให้ลูกรักษาศีลถ้ารักษาศีลแะหน้ามันถ้าไม่รักษาศีลจะแพ้มานพอแพ้มานท่องมันต้องพาไปนรกแน่นอนนี่อย่างนี้เลยโยมทั้งหลายเราท่องไปอยา่าละองค์สมมาพุทธเจ้าเดยจริงๆต้องรักษาศีลจะให้หน้ามันได้เโยม